บารมีของพระพุทธเจ้าไม่เท่ากันมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าพระศรีอานกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีบุญบารมีเท่ากันหรือไม่บุญถ้าจะมากําหนดหมายถึงความเป็นอยู่หรือสมบัติในปัจจุบันในชั่วชีวิตของท่านเรียกว่าเกี่ยวกับโลกโลกพระศรีอานท่านก็มีบุญบารมีมากกว่า แต่ความเป็นพระพุทธเจ้านี่เสมอกันพระศรีอานนี่อายุท่านก็ดีบริษัทในศาสนาของพระองค์นี่สม่ำเสมอกันหมดพระศรีอานมีอายุตั้งหลายหมื่นปีพระพุทธเจ้ามีอายุเพียงแค่แปสิปีอันนี้แสดงว่าพระศรีอานมีบุญมากกว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ความมีอายุยืนนี่ก็เป็นบุญอันหนึง่งท่านบำเพ็ญบารมีมาเยอะ พระพุทธเจ้าบางองค์ก็ปัญญาธิกะศรัทธาทิกะวิริยาธิกะหมายเหตุใต้บทความพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะบำเพ็ญบารมีสี่อสงไข่กับแสนมหากรัอย่างเช่นพระสมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้าในสมัยของเรานี้เองศรัทธาธิกะบำเพ็ญบารมี8ปอสงไขยกับแสนมหากับวิริยะิกะ บำเพ็ญบารมี16อสงไขกับแสนมหากรับซึ่งพระศีอ ร, ริยะเมตไตรก็อยู่ในพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกกัมีบารมีมากต้องบำเพ็ญบารมีเป็นเวลานานกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน